มีศรัทธาต่อพระเจ้าพระรงมีศรัทธาต่อคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่มีศรัทธากับตัวเองแล้วศรัทธานั้นมีประโยชน์อะไรเพราะนั้นศรัทธาที่จะถูกต้องที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าจะต้องมีเชื่อในการกระทำนะการกระทำของตัวเองเราใช้ได้ไหมนะถ้าหากการกระทำของาไม่เชื่อมั่นในการกระทำของเราเองเราก็จะไปเชื่ออย่างอื่นเชื่อคนอื่น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 คอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่องพันเครื่องก็สู้สร่างกายของเราไม่ได้นะโรบอทหรือหุ่นยนต์เป็นร้อยตัวพันตัวก็สู้ร่างกายไม่ได้ทะนนั่นเองเราทำไมไม่ดูแลรักษาให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีค่าขนาดไหนอวิวัตส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยถ้าใครมาถามซื้อเอาดื้อๆเนี่ยวันนี้ไม่มีเงินชาเนี่ยขอขายนิ้วก้อยสักนิ้วหนึ่ง ก็งคิดหนักเงินนะเป็นนี่เขาเป็นร้านนะี่ขอตัดข้อมือนี่ขายไปก่อนนะเพื่อแรกเงินร้านมาใช้นี้คิดหนักนะขอซื้อแขนข้างนี้สักสิบล้านนี่ขายไหมก็นะคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจะมีมีประโยชน์มีคุณค่าต้องดูแลรักษาการที่ทำให้ร่างกายสำรุดเสียหายหเจ็บป่วยเนะี่ยเราก็ไปโทษวิบากกรรมชาติโน่นแต่ไม่ได้โทษการอยู่การกินการ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 ทำใหไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคและปัญหาพูดถึงว่าเราจะต้องการได้วิชาลูระหว่างรูป ก, กับนามเนะี่ยไม่เบียดเบียนกันได้อย่างไรและวิชาตรงนี้รวบรวมทั้งหมดมีส0ประการได้กล่าวไว้เมันก่อนแต่ในรายละเอียดต่างๆนั้น่อจะให้ทีหลังแต่ตรงนี้แค่เอา ก, าะกระยาณมิตรก็พอเพื่อยกมาเป็นประเด็นว่าตัวรู้คือวิชาเนี่ยไม่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 ได้ยเสีงยงมึงเนนทําไมมารับโทราศัพท์กลางคืนไม่จบสักทีนะก็จะไปดุเนนก็บอกอ่ะไม่ an, ตื่นขึ้นมาชา้เาเนนทาไมไม่ปิดโทรศัพท์อ่ะอ้าวผมไม่มีโทราศาพัพท์หลวงพ่ออ้าวทำไมคุณรับโทราศาพัพท์เนนอีกองค์ว่ามันเริ่มเมอหลวงพ่อว่างอ้าเรามือทําไมพูดได้เป็นเรื่อ ง, อองอ เ, อเองอปเ็นราวอย่างยาวเลยนะอันนี้เห็นไหมแม้แต่กระทั่งเราหลับเรามันยังไม่ปลอดภัยจากทุกวิถีนาเลยเอ้าวเมือเพล่พกไปตามนั้น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 แล้วสามารถแยกความทุกข์ที่มันไหลเข้าไปสู่จิตแล้วเนี่ยออกได้เรียกว่ายานนะแล้วก็เห็นแจ้งด้วยว่าไอ้ไไไกิเลสหรือเชื้อโรคประเภทไหนที่หแหลเข้าสู่จิตแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรมันแผ่ขยายขึ้นมาอย่างไรลักษณะอาการต่างๆที่ออกมาที่ใช้คําว่ากิเลสต่างๆเนี่ยนะอวิชชาตัณหาอุปาทาน อ, าอะไรล่ะตัวชื่อกิเลสต่างๆความรู้ความโกรธความหลง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 อ่าเราเริ่มขยับแล้วใช่ไหมขยับแล้วก็เริ่มรู้รู้ว่าการเอาไอ้ความทุกข์หนักเบาเนี่ยเอาออกเนี่ยเป็นประโยชน์แน่รู้ประโยชน์และเป้าหมายที่จะได้เรียว่าศาสตร์อกะศสัมยุรู้ซะ ก, ก่อนว่าประโยชน์มัคนคือเบาเนื้อเบาตัวอันที่สองสปายะสัมปชัญญะจากจุดนี้ไปหาห้องน้ำเนี่ยจะไปสะดวกสบายได้ไงไม่ใช่ไปไปเตะแกว้วหรือไปไป ด, ดุสนุดดันลมอ่าไม่สะดวก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 สติสมยะสมาธิปัญญาแต่ถ้าสมมติว่าตัวรู้สติตามก็ไปไม่ทันตัวรู้ตามก็ไม่ทันมันก็จะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นอะไรสัญญาสังขารวิญญาณอวิชาตันหาวิานไปตามลำดับเลยทีนี้เห็นไหมจุดเชื่อมต่อที่สาคัญคือตัวที่เวทนาเพราะนั้นที่เราบบัดทุกเวทนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเปลี่ยนการบาบัดที่เป็นวิชาหรืออวิชาอยู่ที่เราแล้วทนี้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 ห้าประการซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนแล้วหนึ่งต้องมีศรัท ธ, ธาสองมีความเพียรสามสติ 4. ส, สมาธิห้าปัญญาเราเรียกว่าอินสีห้านะอิีห้าต้องมีคุณสอนักปฏิบัติต้อ ง, ต, องตั้งต้น ท, ที่สมบัติ5้าประการนี้ก่อนต้องมีศรัทธาในการที่จะทํานะอย่างน้อยก็ศรัท ธ, ธาใน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 แต่ไม่ใช่รู้ในส่วนนั้นส่วนเดียวในส่วนอื่นก็ต้องรู้ด้วยเขาเรียกวลมหายใจอานาปนานสติก็เป็นส่วนย่อยของอิบุบทย่อยเรียก ว, ว่าสัมปชัญ ญ, ญปะปปะภาดังนั้นถ้าว่าไปเนี่ยทั้งหกหมวดเนี่ยมารวมอยู่ที่แค่อิบุตรใหญ่กับอิบุตรย่อยในส่วนไหนที่สุดเกี่ยวข้องในรูปในส่วนอื่นก็เป็นอิบุตรย่อยเข้าไปรู้แค่ตัวสัมปมชัญญะนี่ก็รู้ได้ทั้งหมดละเพราะลมหายใจเข้าออกก็เป็นสัมปชัญญะคือเป็นอิบุตรย่อยเข้าออก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 ที่ดูยากอ่ะมันละเอียดเกินไปใช่ไหมมันก็ไปไปอยู่ที่จิตอ่าพอไปที่จิตปั๊บมันกลายเป็นความพอใจและความพอใจก็ก่อให้เกิดความเพลินความเพลินก็ก่อให้เกิดความเผลอความเผลอก็ให้เกิดความคิดความคิดก็จะใเกิดการปรุงแต่งไปตามลําดับเราทีนี้ทีนี้มันเผลอมันเพลินมันไม่คิดทีนี้เป็นอะไรมันง่วง